วิบากกรรมมีจริงหรือหลายท่านที่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟทะยานแรงอ่านกัมพยากรแล้วเกิดความรู้สึกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็มักส่งคำถามนี้มาเสมอถ้าผมตอบแค่จริงไปเฉยๆก็มักมีข้อสงสัยอื่นตามมาอีกเป็นพรวนเช่นทำไมคนทำชั่วยังเห็นได้ดีลอยนวลอยู่นี่เป็นความกังขาที่เกิดขึ้นเป็นประจำ และบางครั้งคำตอบที่เป็นคำพูดช่วยเหลืออะไรไม่ได้เช่นต่อข้อกังขาข้างต้นนั้นผมมักอุปมาอุปไมยว่าถ้าเขาสร้างเรือมาเป็นลำใหญ่แข็งแรงเขาต้องใช้เวลาเจาะใช้เวลาทุบใช้เวลารือ้อเรือของตัวเองเนิ่นนานกว่าที่มันจะจมเราไปหวังเห็นเรือล่มทันทีที่เขาออกค้อนปอนทุบพื้นเรือแรงๆโป้งเดียวมันไม่ได้ แต่การเปรียบเปรยก็เป็นแค่โวหารสกิดใจเดียวเดียวก็ลืมไม่ช่วยคลายกังขาในระยะยาวแต่ประการใดสิ่งที่ผมนิยมมากกว่าการพูดตอบจึงมักเป็นคำแนะนำให้ทำกรรมอะไรสักอย่างที่เห็นผลชัดเจนทันตาทันใจที่สุดเอาให้รู้สึกเหมือนนักทดลองในห้องวิจัยพิสูจน์ถูกผิดทางวิทยาศาสตร์ใส่เหตุเข้าไปอย่างนี้ดูสิ จะได้ผลออกมาอย่างนั้นนั้นตามทฤษฎีหรือไม่เมื่อปรากฏการธรรมชาติเกิดขึ้นให้รู้ประจักษ์กับตัวก็จะได้ทำลายความสงสัยลงได้มากระดับหนึ่งเพียงพอให้เต็มใจภาคเพียรก่อร่างสร้างกรรมดีเพื่อเห็นผลชัดยิ่งยิ่งขึ้นไปสมกับที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้สั่งสมบุญย่อมเป็นสุขและนั่นก็หมายถึงการได้มีสเสบียงชั้นดี ไว้ติดตัวในยามต้องเดินทางไกลกันต่อไปวันนี้ผมก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจทำอะไรอย่างหนึ่งอันอาจเป็นความประทับใจทำให้ทรงจําไปตลอดชีวิตของพวกท่านก่อนอื่นขอให้ข้อมูลเป็นการปูพื้นเบื้องต้นสักนิดหนึ่งนับตั้งแต่นิตยสารบางกกเกาะฉบับนี้วางจาหน่าย จะมีคนอ่านเฉลียววันละประมาณแสนคนไปจนถึงอาทิตย์หน้าโดยมีกระจุกคนอ่านมากเป็นพิเศษในช่วงเช้าตรู่และช่วงเย็นหลังเลิกงานโดยการประมาณอย่างคร่าวที่สุดชั่วโมงเดียวกับที่คุณกำลังอ่านคอลัมนี้จะมีเพื่อนชาวบางเกาะอื่ น, อ, นอ่านเนื้อความเดียวกันอยู่เป็นหลักหมืนม่นมายเหตุเพิ่มเติมจากผู้อ่าน ในที่นี้เราอาจจะเทียบเคียงกับคนที่กำลังฟังสื่อเสียงที่กำลังอัดเสียงให้ฟังอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับว่ากำลังมีคนจำนวนมากฟังพร้อมกับเราอยู่เพียงคุณนึกสบายๆถึงความจริงที่เกิดขึ้ น, นรอบด้านดังกล่าวก็น่าจะเกิดความรู้สึกร่วมขึ้นมาได้วูบหนึ่งอาจเป็นความรู้สึกอบอุ่นใจอาจเป็นอาการคนลุกแผ่วหรืออาจรู้สึกเป็นจริงเป็นจัง คล้ายกำลัง ร, งร่วมประชุมใหญ่กับเพื่อนร่วมชมรมความรู้สึกร่วมมีพลังในตัวเองคุณเคยเห็นหนังสือพิมพ์ที่มาส่งเหมือนเ ค, ค้ก ร, ร้อนๆก้อนใหม่หน้าบริโภคข่าวสารไหมเคยรู้สึกไหมว่าถ้าเห็นหนังสือพิมพ์เก่าไปแม้แต่เพียงวันเดียวจะน่าเหม็นเบื่อทําให้เราไม่อยากหยิบขึ้นอ่านตอนดูทีวีเชียรบอลหรือเชียกกีฬาใดๆ แม้ไม่ได้ดูแบบติดปลายนวมคุณก็อยากชมการถ่ายทอดสดมากกว่าแบบบันทึกเทปโดยเฉพาะถ้าเป็นประเภทโมยคู่หยุดโลกชนิดที่ทำให้เรารู้สึกได้เลยว่ากำลังมีเพื่อนร่วมโลกปักเก้าอี้ตั้งตาดูด้วยความประทึกใจในเวลาเดียวกับเราใครเอาช้างมาฉุดก็ไม่มีทางได้ตัวเราไปไหนอื่นแน่แม้เกมจบอารมณ์ก็ยังไม่จบ อยากพูดคุยลากเปลี่ยนอภิมหาความมันเข้าไส้กับใครต่อใครไปทั้งวันนี่เป็นความจริงที่ทุกคนสัมผัสได้อยู่ในส่วนลึกมาตลอดแต่ไม่มีใครพูดออกมาและไม่มีใครเห็นว่ามีสาระสำคัญอย่างไรจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้แต่วันนี้ถ้าทุกคนมีใจสมัรสมานพร้อมกับปรารถนาจะพิสูจน์วิบากกรรม คุณคุณอาจจำไว้บอกต่อกับญาติญาติว่าปาฏิหารมีจริงคอลัมน์เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวฉบับนี้จะบอกคุณว่าเมื่อใดที่คิดรักษาศีลให้ได้เพียงหนึ่งข้อด้วยความรู้สึกเด็ดเดี่ยวเมื่อนั้นคุณจะได้รับผลกรรมทันทีเป็นความสุขใจสุขเบาสุขเย็นและถ้าหากรับรู้ว่ากาลังมีกลุ่มคนอีกจานวนมาก กำหนดจิตตั้งเจตนาเช่นเดียวกันด้วยความซื่อสัตย์คุณจะยิ่งบังเกิดความปราบเลื่มเป็นทวีคูณเพราะได้รับผลกรรมจากการร่วมยินดีอนุโมทนาบุญของกลุ่มชนจำนวนมหาศาลถึงแม้ว่าหลายคนที่กำลังอ่านหรือฟังอยู่นี้จะไปที่วัดเป็นประจำและมีประสบการณ์ขอถือศีลพร้อมกับเพื่อนพ้องน้องพี่ประชาชีชาวพุทธ ก็ไม่ได้มีความหมายยิ่งใหญ่อะไรนักเพราะจิตแต่ละคนไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลเป็นข้อๆ อ, อย่างแท้จริงหรือแม้ขณะกล่าวก็อาจไม่รับทราบด้วยซ้ำว่าตนกำลังตั้งสัจจะต่อหน้าพระจะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ผุดพองถ้าเรามาตกลงร่วมกันเมื่ออ่านหรือฟังคอลัมน์นี้อยู่พร้อมกับนักอ่านหรือผู้ฟังท่านอื่นขอแค่ศีลข้อแรกข้อเดียว เพียงตั้งเจตนาอย่างเด็ดเดี่ยวว่าจะงดฆ่าสัตว์งดเปียดเปลี่ยนชีวิตเพื่อนร่วมโลกเป็นเวลาหนึ่งวันผลกรรมที่จะเกิดขึ้นประจากจิตทันทีโดยไม่ต้องให้ใครมาช่วยบอกคือปีติสุโปรงเบาอย่างใหญ่หรืออย่างน้อยที่สุดคือความเบากายเบาใจต่างจากปกติแม้ผู้ที่รู้สึกว่าตนไม่ฆ่าสัตว์อยู่แล้ว ถ้าลองตั้งใจสำทับลงไปเพื่อให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นก็จะรู้สึกถึงกระแสสุขร่วมกันได้เช่นกันแต่เท่านี้เห็นจะยังไม่ทำให้เกิดศรัทธาในกรรมดีสักเพียงใดลองมองไกลไปกว่านั้นอีกหน่อยขออัญเชิญพระพุทธพจน์อันเป็นสัจจะมาแสดงคือหญิงชายใดก็ตาม เบียดเบียนสัตว์เป็นประจำด้วยฝ่ามือหรือด้วยก้อนดินหรือด้วยท่อนไม้หรือด้วยอาวุธเมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุขติวินิบาตนรกและเพราะตั้งจิตคิดก่อกรรมไว้อย่างนั้นแม้เมื่อมาเป็นมนุษย์ในภายหลังเขาก็จะเป็นคนมีโรคมากสรุปคือแม้ตบยุงบีมดฆ่ า, มาแมลงถึงเห็นเป็นสัตว์เล็ก ที่ไม่น่าจะบาปหนักพอส่งเราไปลงนรกอย่างน้อยก็ย่อมทำให้เป็นโรคกวนใจเรื้อรังไม่หายขาดแต่หากเป็นรงข้ามคือแม้โดนมแมลงรบ ก, กวนอย่างไรก็ข่มใจไม่ฆ่าด้วยมือไม่ฆ่าด้วยสารพิษทำอย่างมากเพียงหาวิธีขับไล่มันไปพ้นเช่นนี้จะมีวิบากเป็นผู้มีโรคน้อยพูดง่าย ขอแค่วันที่คุณอ่านหรือฟังนี้ตั้งใจจะไม่ตบแม้แต่ยุงสักตัวเดียวก็มีสิทธิ์เห็นผลได้อย่าประหลาดใจถ้ากำหนดเจตนาแน่วแน่แล้วรู้สึกถึงน้ำจิตที่หลั่งกระแสเมตตาออกมาไพศาลเพราะเมื่อเป็นหนึ่งในผู้ร่วมกระแสย่อมรู้สึกสัมผัสชัดถึงกระแสใหญ่นั้นไปด้วยอาศัยความจริงเกี่ยวกับผลกรรมข้อนี้เป็นตัวตั้ง อนุโมทนาร่วมกันว่าจะมีสัตว์รอดจากการถูกฆ่าจำนวนมากในวันที่คุณกำลังอ่านหรือฟังนี้คุณจะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนก่อกรรมประเภทไม่เบียดเบียนเมื่อร่วมก่อกรรมก็ต้องได้ร่วมเสวยผลกรรมยอมทดลองเพื่อพิสูจน์ผลไม่เสียอะไรมากไปกว่าการตั้งใจจริงเพียงวันเดียวเท่านั้น ปริมาณสัตว์ที่รอดเพราะการอธิษฐานร่วมกันจะ ก, ก่อตัวเป็นพลังใหญ่ใช้อ้างในการทดลองอธิษฐานพิสูจน์กรรมได้โดยคิดว่าถ้าผลของการให้อภัยสัตว์เป็นทานร่วมกันนี้มีความภัยบุญจริงขอให้โรคภัยไข้เจ็บเล็กใหญ่ที่เป็นอยู่ทุเลาลงทรมานน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเร็วที่สุด อย่าอธิษฐานแบบที่จะทำให้เสียกำลังใจเช่นขอให้หายขาดขอให้ไม่เป็นโรคอีกเลยเพราะกำลังบุญที่คุณทำนั้นมีกำหนดชั่วระยะวันเดียวยังอาจสู้กับกรรมเก่าที่ทำมาเป็นปีๆเป็นชาติชาติไม่ได้อีกอย่างแม้พระพุทธองค์ก็ทรงจำแนกไว้ว่าความป่วยไข้เกิดขึ้นจากหลายสายเหตุทั้งลมฟ้าอากาศ ทั้งการบริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอทั้งการทำงานหนักเกินกำลังและทั้งการเสวยวิบากแห่งกรรมฉะนั้นถ้าคุณเป็นโรคที่เกี่ยวกับความเฉยชาไม่ออกกำลังกายวิธีแก้ตรงๆคือออกกำลังกายให้มากขึ้นแต่อย่างน้อยการเป็นหนึ่งในผู้เข้าโครงการอธิษฐานงดปลงชีวิตสัตว์หนึ่งวันนี้จะมีผลให้สุขภาพของคุณดีขึ้นกว่าที่เป็นอย่างแน่นอน ไม่ว่าใครจะถูกโรคใดโรคหนึ่งรบกวนอยู่เพราะวิบากของการงดปรงชีวิตสัตว์แม้ถูกกวนใจนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะทำให้เป็นผู้มีโรคน้อยหรือคือแข็งแรงนั่นเองในที่นี้เราทำกันแบบมีตัวคูณไม่ได้แยกทำเดียวๆก็ย่อมมีแนวโน้มสูงยิ่งที่จะเห็นผลทันตา